พวกเราเยอะเยอะมากไปนะอาจาสอนไม่ไหวใครอยากส่งกันบ้านหรือต้องมาวันธรรมดาวันธรรมดายังพอส่งกันบ้านได้วันอย่นี้ลำบากเยอะเกิดคนที่มาใหม่ๆฟัหงหลวงพ่อครั้งแรกไม่รู้เรื่องเนี่ยเป็นเรื่องปกตินะไม่ไม่ใช่ว่างโง่้ผิดปกติ น, นนะเป็นเรื่องปกติเลย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 วันหนึ่งจะบรรลุมากผลนิพพานเราจะได้ดีเราจะได้มีความสุขลึกลงไปก็คือตอบสนองความเป็นตัวเราอีกนั่นแหละเฉั้นหลงโลกไปหลงทางตาหูจมูกลิ้นกายเรียกว่าโลกหลงโลกออกไปก็หวังว่ามีความสุขอุตส่าห์มาปฏิบัติธรรมมาบังคับกายบังคับใจกําหนดกายกําหนดใจกา ห, หวังว่าจะมีความสุขจอตอบสนองความเป็นตัวตนนั่นเองเนั้นสุดต่งอย่างนี้ ติ้นรนอย่างนี้ไม่พ้นจริงหรอบางคนภาวนาพยายามกําหนดนะตามองเห็นกําหนดหูได้ยินเสียงกําหนดลงไปหวังว่ากําหนดมากๆแล้วเวทนาจะไม่เกิดถ้าไม่มีเวทนาปัญหาจะได้ไม่มีตัญหาไม่มีอุปาทานภบชาติทุกข์จะได้ไม่มีนี่บางคนสอนกันอย่างนี้นะสอนให้ดับเวทนาลืมไปอย่างหนึ่งว่าเวทนาเนี่ยเป็นเจตสิก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 กามนิษ์เที่ยวสแสวงหาธรรมะเที่ยวสแสวงหาธรรมะเพื่อว่าตัวเองจะได้มีความสุขถาวรงันการมนิต์เที่ยวไปเรื่อยๆจนเจอพระพุทธเจ้าฟังพระพุทธเจ้าเทศน์เรื่องไม่มีอัตตาตัวตนที่ถาวรกมนิษ์รับไม่ได้นะรับไม่ได้เลยส่นกระทั่งผ่านไปนานนะตายแล้วไปเกิดในสวรรค์สุดท้ายไปอยู่ในพรหมโลกก็สวรรค์ล่มลงไปสวรรค์ก็แตกดับ ไปเกิดในปรมโลกเจอกัอบวาสิธีวาสิธีเลยแสดงภาพของพระพุทธเจ้าให้ดูวาสิธีเคยบวชเป็นภิกษุณีที่บวชเป็นภิกษุณีเพื่อจะหนีออกจากบ้านจะไปตามหาก ร, รมนิทและจะหนีสามีนั่นแหละพ <c oughs> อกรรมนิทเห็นรูปพระพุทธเจ้าที่วาสิธีเนรมิตให้ดูแล้วก็จําได้ว่าคือพราเฒ่แก่ๆที่เคยคุยกันในบ้านช่างปั้นหมอนั่นเองแต่เดิมคิดว่าเ น, นี่ยคือสาวกปลายแถว ซึ่งไม่เข้าใจคาสอนของพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าคงสอนอะไรที่ชี้ทางให้สุขถาวรได้นี่พระชรารูปนั้นกับไปสอนว่าถาวรไม่มีมีแต่ทุกข์ไม่มีสุขนะที่ใดมีรักที่นั่นมีทุกข์เนี่ยสอนอย่างนี้อีกนี่พอกามมณีตเห็นรูปนิมิตนี่แล้ววาสิทธีเนี่ยทุ่มเทพลังจนกันทั้งหมดพลังนาตายไป มันนี้รู้สึกว่าโอ้ทุกอย่างไม่มีอะไรที่เที่ยงแท้ถาวรเลยละระลึกถึงคำสอนของพระพุทธเจ้าทบทวนตัวตนไม่มีไม่มีตัวตนที่ถาวรแล้วบาสิทถีก็นิพพานไปก่อนแล้วในสุดเลยลงตกนะยอมรับความจริงว่าตัวตนที่แท้จริงไม่มีหรอกเพรนั้นตัวตนไม่มีจะไปหาความสุขที่แท้จริงที่ไหนพอปล่อยวางตัวตนเข้าถึงความสุขที่แท้จริง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 อยากเรียนยากๆก็ได้นะเรียนกรรมฐานเรียนาธาตุกรรมฐานเรียนาธาตุกรรมฐานเนี่ยต้องรู้ก่อนาธาตุดินน้ําไฟลมที่ประกอบเป็นกายของเราเนะี่ยธาตุดินนะาธาตุไฟาธาตุลมเนี่ยรู้ด้วยกายาธาตุน้ํารู้ด้วยใจนะาธาตุพวกนี้เห็นไหมเริ่มยุ่งแล้วเห็นไหมหลวงพ่อบอกแล้วใครยากที่ยากๆนะฟังต่อไปนี้ใครไม่อยากยากลืมๆซะพนะวกเราหลายประเภทบางคนอยากเรียนยากก็เอา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 มันไม่ได้บอกหรือไหมนคนไหนมันพูดได้ไอ้ตัวนี้มันพูดได้ไหมมันบอกไหมว่ามันคือตัวเรานี่น้าเรียกว่าธาตุกรรมฐานนะยังเก็บไหมจับลงไปเราจับสัมผัสได้ความแข็งของมันนอกจากความแข็งเราสัมผัสธาตุไฟได้ด้วยมือมันอุ่นเห็นไหมบางทีมือก็เย็นๆในธาตุไฟน้อยปลายนิ้วธาตุไฟน้อยแถวนี้ธาตุไฟเยอะหน่อยเพราะฉะนันธาตุยังไม่เที่ยงเลยธาตุไฟยังไม่คงที่แต่ละที่ไม่เท่ากัน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 การเรียนธาตุกรรมฐานเลยต้องรู้ว่าธาตุอะไรรู้ด้วยอะไรธาตุลมดูยากธาตุลมดูยากเนี่ยเราขยับมือเนี่ยถ้าจิตเราทรงฌานจริงๆเนี่ยขยับเราจะรู้เลยมันจะมีแรงผักดันแรงที่ดันให้ไหเ น, นี่เรียกว่าธาตุลมนะไม่ใช่หายใจเข้าหายใจออกเป็นธาตุลมนะเห็นไม่ยากไม่ยากธาตุน้ําคืออะไรธาตุน้ํารู้ด้วยใจ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 มีครั้งหนึ่งหลวงพ่อขึ้นไปกราบหลวงปู่สิมตอนนั้นเรียนอยู่สถาบันจิตวิทยาเขาคัดเลือกพวกว่าที่อธิบดีทั้งหลายไปเรียนหลวงพ่อนะเด็กเป็นที่สอบของรุ่นนะมีเด็กกว่หลวงพ่ออีกคนเดียวเพราะเราเรียนให้เราทํางานเราตัวตเร็วต้องไปเรียนกับพวกใกล้เกษะเสียนนะก็พาการไปไปดูงานที่เชียงใหม่พาขึ้นไปกราบหลวงปู่สิมที่ทําำับปลอง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 เมื่อท่านพาขัดเก็ดท่านบอกต้องใจเด็ดนะภาวนาเสร็จแล้วท่านก็เทศเทศเท ศ, เทศไปชั่วโมงพวกโยมที่ไปด้วยกันค่อยๆถอดหนีไป็ทีลราคนสองคนนะสุดท้ายเหลือหลวงพ่อกับพี่อีกคนผู้ชายอายุมากแล้วพอท่านเทศได้ชั่วโมงกว่าๆววันนี้พอละันแล้ ว, ว, นนลวท่านก็ถามเป็นไงนั่งขัดเก็ดเมื่อยไหม พี่ผู้ชายน่ะรีบตอบเลยเมื่อยครับเมือม่อยเมื่อยมากเลยครับเนี่ยถ้าไม่เคารพหลวงปู่เนีไม่นั่งหรอกหลวงปู่ก็ถามขามันบอกไหมว่ามันเมือ่อยออแทนที่จะดูว่าโอ้ธาตุไม่เคยบ่นว่าเมื่อยนะเพราะธาตุเป็นธาตุเหมือนที่หลวงพ่อบอกเนี่ยมันไม่บอกว่ามันเป็นเรานะมันก็ไม่เคยบ่นว่ามันเมือ่อยด้วยหลวงปู่ถามว่าไหนขามันบอกว่าเมื่อยเหรอ เมื่อจริงๆหลวงปู่ผมไม่โกหกหรอก น, นู่นต่อไปโน่นเลยหลวงปู่เลยยิ้มหวานเลยนะรู้สึกเออได้แค่นี้ได้แค่นี้เนี่ยธาตุกรรมฐานนะดูยากดูยากดูความเป็นธาตุของมันเราจะรู้สึกเด็ตลอดเวลาว่ามันคือตัวเราไม่ได้เห็นว่ามันเป็นต้นธาตุต่รู้สึกหวงแหนรักมากเป็นตัวเรามากอะไรมาเกี่ยวมันนิดนึงนะคลุ้ม อ, อกคลุ้มใจแหละเดือดร้อน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 บางวันตื่นขึ้นมาก็สดชื่นบางวันตื่นขึ้นมาแห้งแรงเราดูไปแต่ละวันใจเราไม่เคยเหมือนกันเลยพอเราสังเกตได้เออแต่ละวันไม่เหมือนกันจริงจรต่อไปใจเย็นๆนะค่อยๆเพิ่มค่อยๆพัฒนาการสังเกตขึ้นไปสังเกตในวันเดียวกันเนี่ยเช้าสายบ่ายเย็นความรู้สึกของเรายังไม่เหมือนกันบาอทีตื่นเช้าขึ้นสดใสใช่ไหมในเวลาออกจากบ้านรถติดญญหมุนหิิแล้ว มาถึงที่ทํางานลูกค้ามารออู้ยสลอนเลยจะมาสั่งซื้อของเรานะปลื้มแล้วปลื้มเจรจาธุรกิจมันไม่ตกลงสักลายเลยโมโหแล้วจิตใจเราจะพลิกไปพลิกมาพลิกไปพลิกมาให้เราไปตามรูปจิตใจที่พลิกแปลงเปลี่ยนแปลงไปเงี้ ย, ยดูไปเพื่ออะไรเพ่จะได้เห็นกับมจริงว่านะจิตใจเราไม่เที่ยงนะใจิตใจเราเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาเลยเดี๋ยวสุขเดี๋ยวทุกข์เดี๋ยวดีเดี๋ยวร้ายใจิตใจเราทนอยู่ในภาวะอันแดนหนึ่งไม่ได้ สุขก็ชั่วคราวทุกข์ก็ชั่วคราวกุศลหรืออ่างกุศลก็เกิดขึ้นชั่วคราวอย่างโกรธใช่ไหมใครโกรธนานที่สุดถึงหนึ่งวันเคยมีไหมในห้องนี้มีใครโกรธถึงวันหนึ่งไหมเคยไหมเข้าใจผิดแล้วจริงๆก็โกรธตีลักษณะโตีลักษณะมาคิดใหม่โกรธใหม่ไม่มีหดอกโกรธเป็นวันๆและจิตเกิดดับรดเร็วมากเลย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 พอเห็นหน้ามาแต่ไกลเดี๋ยวจะโกรธแล้วรีบจเจริญเมตตาไว้ก่อนสัตว์ทั้งหลายเป็นสุขเป็นสุขเถิดไปที่ชอบที่ชอบเถิดอย่างนี้นะอย่างนี้ยังไม่เมตตาจริง เ, เป็นสุขเป็ในสุขเถิดเหายใจเราเย็นรู้สึกมีความเป็นมิตรเกิดขึ้นมีความเป็นมิตรเกิดขึ้นเขามายั่วโทสะนิ ด, น ด, นดหน่อยหน่อยไม่โกรธดี๋ยถ้าฝึกดูจิตดูใจนะั่นจะเห็นแล้เราบังคับมันไม่ได้จริงหรือจิตจะวิ่งไปที่ตาจิตจะวิ่งไปที่หูจิตจะวิ่งไปที่ใจเลือกไม่ได้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 เมื่อไรมีสติรู้กายรู้ใจก็ค่อยๆละความเห็นผิดว่ากายกับใจเป็นตัวเราเมื่อไรขาดสติก็รู้สึกว่ากายกับใจเป็นตัวเราขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งเพราะว่าการละนี่ยังละด้วยการมีสติไม่ใช่ตัวอริยมรรต์ต้องตามรู้ตามดูมากนะจนอริยมรรตเกิดอริยมรรตเกิดแล้วต่อไปเป็นทัสดดาวันถึงขาดสตินะดูลงมาทีไรไม่เคยเห็นตัวเราเลยแต่ความรักในกายในใจยังมีอย่างบริบูรณ์นะ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 มันหมดความรักในกายในใจได้ก็ปล่อยวางความยึดถือกายยึดถือใจความพ้นทุกข์ที่แท้จริงอยู่ตรงนี้ลองดูนะลองดูไม่ต้องเชื่อนะไม่ต้องเชื่อแต่ให้ลองดูาศาสนาพุทธไม่ใช่าศาสนาที่อ้อนวอนให้เชื่อแต่เป็นาศาสนาที่ท้าให้ลองดูมีบทสวดมนต์อยู่อันหนึ่งบอกว่า A G อเอฮิปัสโกพึกล่าวกับผู้อื่นว่ามาลองดูมาลองดู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 ทำสมถะลูกเดียวเลยเ็ขึ้นมีปัศนาไม่เป็นฝึกอนาปนสติหายใจออกหายใจเข้าตอนเด็กๆหายใจเข้าหายใจออกนะหายใจเข้าใจแข็งฟึ่งเลยนะแต่ตอนแรกเล็กๆจริงๆอ่ะตอนหัดทีแรกอ่ะหายใจเข้าหายใจออกไม่ได้จงใจจิตสงบรวดเร็วมากเลยนะออกไปเล่นอะไรตอไ่ออะไรได้พอมันจำว่าทำอย่างนี้แล้วดีนะพอหัดจากนั้นพอลงมือปฏิบัตินะเมื่อไหร่จะดี อึดอัดแต่มาจับหลักได้หายใจออกสิเนี่ยใครดูเป็นจะรู้เลยนะหายใจจริงๆแล้วเนี่ยจิตใจมีปีติมีอะไรขึ้นฉับพลันเลยพอหายใจเข้าหายใจออกหายใจออกหายใจเข้านะใจสงบต่อมาไปได้ฟังธรรมของหลวงปู่ดูลท่านสอนให้ดูจิตตัวเองสนใจสนใจเรียนรู้ดูจิตดูใจทั้งวันเลย จิตใจนี่ทำไงนาะมันจะบังคับมันได้ทำไงมันจะดีทำไงมันจะสุขนี่ที่เอามาสอนพวกเราว่าผิดกิดหลงพ่อผิดมาแล้วผิดมาแล้วเสียเวลาทั้งสมเดือนเนี่ยตรงนี้ไปไล่ฟัดกับมันเพื่อเพื่อจะให้มันดีให้มันสุขให้มันสงบตามรู้ตามดูแล้วแทรกแซงตามรู้ตามดูแล้วแทรกแซงฝึกอยู่สามเดือนกลับไปรายงานหลวงปู่นี่ผมถ้าพูดภาษาปัจจุบันผมแทรกแซงเก่งแล้วนะ ตัวงู่บอกไปกลับไปไปดูอหม่ที่ทำอยู่ไม่ถูกต้องครูบาอาจารย์แต่ก่อนไม่สอนเยอะนะสอนนิดเดียวโอวเราต้องคลำคาพูดท่านแต่ละคำแล้วนะต้องเอามาคลำแล้วคลำอีกลองแล้วลองอีกใช่ไม่ใช่นะลองจนมั่นใจแล้วก็ไปหาท่านอีกทีไปสอบเข้าห้องสอบงังต้องคอยร่วงมันไม่ได้ยากแนะทว่คิดหรอกธรรมะอยู่ที่กายที่ใจของเรานี่เอง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 มันมีแนวโน้มโน้มน้อมไปสู่มรรคนผนิพพานโดยตัวของมันเองงั้นคนที่สกัดกั้นมังไว้ส่วนมากก็คือตัวเราเองนี่เองคำว่าฝั่งซ้ายและฝั่งขวาก็คือการที่จิตของเราไปโหลงติดอยู่ในสิ่งที่เป็นคู่คู่บางคนยึดในความดีเกลียดความชั่วรุนแรงนี่ติดนะบางคนยึดชั่วเกลียดดีก็ติดอีกนะบางคนยึดสุขเกลียดทุกข์ก็ติดอีกติด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 จิตก็ไปเกาะนิ่งๆอยู่ในภพนั้นนี่เกยตื้นแล้วเดินปัญญาต่อไปไม่ได้สูกมนุษย์จับไว้ก็คือติดหมู่คณะติดภักติดพวกนะไปไหนก็เตงกันไปกลุ่มเบ้อเลยเมืนะ่อ ก, ก่อนอยู่วัดป่านะจะมีรถทัวร์เข้าไปกันเยอะพอรถทัวร์เข้ามาคนในวัดจะคุยกันแล้วโอ้พวกอรหันทัวร์มาอีกแล้วนี่พวกอรหันต์ทัวร์เขชอบไปหาข่าวลือว่าวัดไหนมีพระอรหันต์นะจัดทัวร์ไป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 ภาวนาไปแล้วดังเป็นอาจารย์ใหญ่ดังขี่หลังเสือลงไม่ได้ล้วในชาตินี้ก็อยู่บนหลังเสือตลอดไปมีนะไม่ใช่ไม่มีถูกน้ํำวนคืออะไรน้ํามวนคือกามนะน้ํามวนคือกามถ้าภาวนาดูจิตดูใจเป็นจะเห็นเลยจิตของเราจะหมุนอยู่ทางตาหูจมูกรินกายตลอดเวลาหมุนติ้วติ้ว ต, ว ต, วต้วเลยนะคือเดียเด๋ยวก็วิ่งหาอารมณ์ทางตาเดี๋ยวก็วิ่งหาอารมณ์ทางหูเดี๋ยววิ่งหาอารมณ์ทางจมูกคือไปดมกลิ่น เดี๋ยวก็วิ่งหารถที่เปลิดเพลินหาสัมผัสที่ถูกอกถูกใจอจิตจะหมุนติ้วติ้วติ้วติวหาลมอยู่เนี่ยไปไหนไม่รอดหรอกจิตติดอยู่ในกรรมคือถูกน้ำบ่นไว้จิตเน่าในคือพวกไม่มีศีลทำกับกรรมรทําชัว่วบางคนดูถูกศีล น, นะเจริญปัญญาได้แล้วไม่ต้องถือศีลเข้าใจผิดไม่ถือศีลไม่ได้ถ้าเราไม่ถือศีล น, นะปัญญาของเราจะเป็นปัญญาของมหาโจร งั้นเราต้องมีศีลถ้าเราทูศีลเมื่อไหร่นะก็เน่าอยู่ข้างในเกลือกนอกดูสวยงามแต่เน่าอยู่ข้างในนี่บรรลุมรควลไม่ได้เั้นพวกเรานะสํารวจตัวเองเราติดฝั่งซ้ายฝั่งขวาไหมเราไปเกยตื้นคือเราไปติดอยู่ในภพใจภพหนึ่งที่เราสร้างขึ้นเองหรือเปล่าเรากรัวพันในหมู่คณะปล่อยวางไม่ได้จนะอหอบกระเตงกระเตงกันไปนะหรือเราติดในชื่อเสียง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 ถึงวันหนึ่งท่อนไม้นี้จะลอยไปถึงแม่น้ำถึงมหาสมุทรนะออกจากแม่น้ำปุงขาถึงมหาสมุทรใจเราก็จะออกจากที่คับแคบไปสู่ที่กว้างไรขอบไรเขตจิตใจของเราแต่ละคนอยู่ในที่ขังนะมีกรอบมีขังมีจุดมีดวงมีกรอบขังอยู่แคบแคบถ้าภาวนาไปถึงช่วงหนึ่งเห็นดใจเราอยู่ในแคปซูลหรอวอย่างคุณานะใจเหมือนมีเปลือกพุ่มอยู่ ใจไม่มีอิสระวันใดที่เราออกสู่ทะเลได้คือเข้าถึงธรรมแท้ๆนะใจจะโล่งว่างเลยนะกว้างขวางไร้ขอบไร้เขตไม่มีจุดไม่มีดวงไม่มีที่ตั้งเพราะนั้นใจไม่ต้องวิ่งไปวิ่งมาเหมือนที่เคยเป็นใจอยู่ในที่ทุกสถานเลยเต็มไปหมดเลยเพราะฉะนั้นอย่างเวลาพวกเราพอวนาเรามีปัญหาติดขัดหรือเกิดอะไรขึ้นนะเราเราึกถึงพระพุทธเจ้านะ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 เอาซีดีเอาหนังสือลงงพ่อไปไปฟังไปอ่านนะแจกให้ฟรีนะไปฟังไปอ่านแล้วค่อยๆสังเกตจิตใจของเราไปฟังซ้าแล้วซ้ำอีกมีอยู่แผ่นเดียวฟังมันแผ่นเดียวเคยมีผู้หญิงคนหนึ่งสมัยน้นไม่มีซีดีแกเอาเทปมาดเองนะมีอยู่ม้วนเดียวแกฟังแล้วเทปยืดเลยนะแกก็ตื่นขึ้นมาเลยนะมีอยู่ม้วนเดียวนะั่นนะ่ะเดี๋ยวนี้สบายนะซีดีมันไม่ยืด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 จิตใจยัมีคุณภาพอย่างที่ว่านี่ภาษาแขกก็มีเรื่องละหูตามุทุตากรรมัญญาตาปาคุณตาอุชุกตาฟังยากภาษาไทยก็คือจิตใจของเราเนี่ยมันจะเบามันจะนุ่มนวลอ่อนโยนคล่องแคล่วว่องไวไม่หนักไม่แน่นไม่แข็งไม่ซึ้งไม่ทื่อรู้สภาวะทั้งหลายตามที่เขาเป็นไม่เข้าไปแทรกแทงรู้ซื่ อ, อรู้ตร ง, ตรงจิตใจชนิดนี้เป็นจิตใจที่พร้อมที่จะเกิดปัญญา จิตใจห น, ห, นหนักหนักแน่นๆ่นแข็งแข็งซึมซทื่อๆไม่เกิดปัญญาหรอกเกิดแต่ความทุกข์ทรมานงั้นภาวนาแล้วแข็งแข็งแล้วก็ทําผิดนะทำ <RGB S 2> ผิดจบแล้ววันนี้เอ <Taste> ้า <estry> มีเวลาเล็กน้อยใครจะคุยกับหลวงพ่อคนที่ๆๆมาทุกวันเลยทไมคุยทุกวันเอาไมโครโฟนสงหนกไมโครโฟนภาวนาดีนะภาวนาใช้ได้แล้วใจตื่นแล้ว เช้านี้มันมีโมหะสลับไปขี้ว่างๆอะค่ะเอ อ, อว่างๆก็อย่าไปเอามันไว้มีโมหะให้รู้ทันใจตอนเนี้ยข่มตัวเองให้แข็งๆทราบไหมไปกดมันไว้ไไกดมันนิ่งๆให้รู้ทันนะไม่ไปกดมันแล้วมันมีความอึดอัดนั่นแหละที่อึดอัดแล้วพ่อไปกดเอาไว้ไปจงใจปฏิบัติตึงได้อึดอัดขึ้นมา อ้าวคนต่อไปอสองคนนี้ยกไปต่อๆกันเบอร์สิบสองกนุชลัตไปเป็นสอ ส, อสอได้งเ น, นี้ยยกมือไว้ยกไว้ก่อนนะยังไม่มีเนื้อหาจะพูดเลย <c oughs> ยกแล้วอารมณ์ภาบที่ครึ่งชั่วโมงยู่ไม่รู้จะพูดเรื่องอะไรอ้าว่าไปดูว่ามันคิดกับไม่คิดอะค่ะอะไรนะดูไปว่ามันคิดหรือไม่คิดอะค่ะมันก็เลยเห็นเลยค่ะว่า มันเป็นความคิดทั้งวันเลยค่ะมันคิดทั้งวันจิตนะหลงไปคิดทั้งวันการที่จิตตรึกเรียกว่าวิตกจิตมันตรึกมันคิดมันนึกขึ้นมาถ้าเราไม่รู้ทันจิตที่คิดที่นึกนะั้นเราจะไม่ตื่นเนี่น่ะเนี่ยครูบาปององค์สุดท้ายหน้าขาวๆแล้วนะ่ะไปเจอพระไตรปิฎกบอกว่าอะไรนะมีอะไรบ้างนะปองเวทนาสัญญาวิตกเนี อีสา ม, มันความจริงเวทนากับสัญญานี่มันทำให้เกิดวิตกคือการที่จิตมันตรึกขึ้นมาเนถ้ารู้ทันเมทนารู้ทันสัญญานะมันก็ไม่วิตกถ้าเกิดวิตกแล้วรู้ทันนะจิตก็ตื่นขึ้นมาอีกเราะะั้นการที่เราจิตรู้ทันความวิตกหรือการตรึกนะนะั้นจิตก็จะตื่นขึ้นมาแล้วถ้าช่วงที่ความคิดหายไปอะค่ะห้ย น, นิดเดียวเดี๋ยวก็คิดอีกค่ะแล้วเราก็ไม่ได้ฝึกไม่คิด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 แล้วกุศลเป็นปัจจัยของอกุศลก็ได้นะเป็นได้จิตใจนั้นเป็นของพลิกแปลงแต่ส่วนมากชอบปลุงอกุศลดูออกกี่ยังตรงที่หลงคิดนั่นอกุศลแหละตรงที่หลงคิดคือจิตมีโมหะฟุ้งซ่านเราะนั้นวันๆหนึ่งอกุศลมีมากกุศลมีน้อยใจหลงไปคิดทั้งวันบางคนบอกไม่เห็นมีกิเลสเลยแต่จริงๆใจหลงคิดนั่นแหละกิเลส ผิดฟุ้งซ่านเรียกว่าอุทธัจจ์แล้วไงอีกก็ไม่มีแล้วบังคับตัวเองไว้ดูออกไหมตอนนี้ค่ะเออเมือเลิกสะ <c oughs> อย่าบังคับมันรู้อย่างที่มันเป็นแล้วที่ภาวนาผ่านมามีอะไรเพิ่มเพิ่มเติมไม่ต้องเพิ่มนะให้รู้ไปอย่าไปข่มไว้อา้าวนุชรัตน์ก็จะส่งการบ้านนะคะหลวงอาที่ผ่านมามันทีมมันก็จะรู้ตัว บ, บ่อย ที่ผ่านมาบางทีมันจะรู้สึกตัวบ่อยขึ้นหลวงอาแต่บางทีมันสึกมันเหมือนมันจะยิ้มแต่บางช่วงนะคะหลวงอาเวลาอยู่พอดีเมืนจะยิ้มตลอดนะคะวันนี้ไม่ยิ้มหรือวันนี้มัวค่ะเลือกไหมหรือว่าดีเจ๋งนะเปล่าค่ะแต่ตอนนี้เห็นเลยว่าว่ามันจบลงอะค่ะเออมันจบลงไปขาซ่อนแก้มมาหรือเฮ้ยใช่เลยค่ะหลวงอ่าหลวงอารู้ได้ยังไงนะคะสายลับเยอะ ใครไปทําอะไรนะสายรับคอยรายงานเอ๊สารับวันนี้อยู่แถวนี้เหรอคะหลวงอาไม่อยู่อ๋อไม่อยู่เหรอคะค่ะ<อ>ก็อยู่ที่นั่นก็พอดีคนไปเยอะคะ่ะหลวงอาก็เลยพอหนาะต้องแอบอยู่คนเดียวบ้างมันถึงจะดีขึ้นแบบแต่ก่อนนี้เวลาออกไปอย่างเนี้นะเขาเรียกว่ารีดเล้นไปดีนี้รวมหมู่กันไปรวมกันไม่ได้หกสิบเจ็ดสิบคนไม่จะไปได้อะไรอะ่ะ ก็ใช่คุยกันคนละประโยชนัก็หมดชั่วโมงหนึ่งละนั้นต่อค่ะที่ผ่านมาที่ผ่ามมันสุ่เอิว่ามันจะมันจะเข้าใจอะไรมากขึ้นนะคะหลวงอามันสึกจิตมันยอมมากขึ้นนะคะแต่ดีที่นั่นเอานาดีวานาง่ายหลวอาจะไปอีกไหมคะที่นั่นสวยนะคะหลวงอาเอาสวยมาล่อไม่สําเร็จหรอกหลวงพ่อหน้ามาชวนเรื่อยละแต่หลวงพ่อเข็ด บอกท่านแล้วค่ะว่าให้ปิดวัดเลยค่ะท่านก็บอกเหมือนกันว่าถ้าไปเมื่อไหร่ท่านจะปิดวัดไม่ให้คุณเข้าวัดไปแล้วเหนื่อยกว่าเก่าอีกแล้วอยู่นี่ก็เหนื่อยแล้วแล้ ว, ลวหลวงอม า, ามีอะไรแนะนําเพิ่มเติมไหมคะตอนเนี้จิตไม่เป็นธรรมชาติใช่ค่ะจิตแข็งกระด้างจิตมันง่วงง่วงเหรอคะมันซึมอะจิตมันไม่มีเรี่ยวมีแรง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 ตรงนี้ไวมากเลยไม่ทันเขาเราผู้ชายผู้หญิงไวนะเดี๋ยวหลวงอารครับเดี๋ยวถามคําถามแป๊บหนึ่งอ้ว่าไปเลินถามหลวงอานิดหนึ่งพอดีมีน้องเขาเขาเคยกราบหลวงอาเผอเอินนึกสงสัยนะคะว่าเอ๊ะถึงแม้ว่าเขาทานเล่าแล้วเขาสัมมาภาวนา ย, ยังยังคีปออนแฉกได้เหรอคะลวงอาแปลว่าอะไรคือน้องคือมีน้องคนหนึ่งนะคะที่รู้จั ก, จกคือเขาก็มาฝึกกับลวงอาใช่ไหมคะแล้วคือเขาทานเล่าแล้วมันก็เตือนเขาว่าไงไม่อยากให้ทานเพราะว่าเดี๋ยวถ้ามาภาวนาแล้วอย่างเงี้ยค่ะ เขาบอกเขามาส่งกา ร, รบ้านหลวงอาแล้วเขายังสามารถคลิปออนแท็กได้หมายถึงว่ายังยังภาวนาได้อยู่นี่เลยยังสงสัยนะคะหลวงอาวัดทานเหล้าแล้วยังสามารถภาวนาได้อีกเหรอคะไม่เคยอยากตอบเลยเรื่องเนี้ยบอกให้มีศีลไม่ใช่บอกให้ไปกินเหล้าแต่ถามว่ากินเหล้าแล้วภาวนาได้ไหมได้เคยเป็นพระรหันต์มาแล้วด้วยสมัยพุทธกาลมีอมตะของพระเจ้าโกสดชื่อสีหา ม, มาต เมาเหล้าอยู่เจ็ดวันวันที่เจ็ดนะอีหนูแสนสวยของแกตายแกเลยยังอ้อแอ้นะขึ้นช้างมาหาพระพุทธเจ้ามาฟังธรรมเพราะว่ากลุ่มใจอีหนูตายฟังธรรมแล้วก็เป็นพระอรหันต์แล้วก็นิพพานวันนั้นเลยในขณะที่จเจริญสติอ่ไม่ได้กินเหล้าได้ใจไหมเราต้องแบ่งชีวิตของเราเป็นช่วงเล็กๆ ในขณะที่ไปทําบาปอาคุสนะจะต้องรับผลของอาคุสนะอย่านึกว่าภาวนาแล้วจะพ้นจากผลของอาคุศลได้นะคนละเรื่องกันนะดีกับชั่วไม่ล้างกันเพราะนั้นช่วงที่ไปกินเหล้านะั้นสะสมอาคุศลไว้แต่ว่าช่วงที่ไม่ได้กินเหล้ามาเจริญสตินี่สะสมกุศลไว้คนละเรื่องกันบรรู้ได้นะแต่ว่าลําบากมากเลยเคยมีลูกศิษย์หลวงพ่อองค์หนึ่งเมื่อสองร้อยกว่าปีก่อนนะ กินเหล้ากินเหล้าแล้วก็ไปเล่นหัวโตกลองยาวอะไรเงี้ยปู่ย่าตายายเตือนก็ไม่ฟังชาติก่อนๆภาวนามาตลอดเลยนะชาตินั้นไปคบคนไม่ดีเข้าไปกินเหล้าเมายาพอภาวนามาถึงชาตินี้นะโมหะเยอะทำไม้เพราะเหล้าเป็นตัวทําลายสติอานะคุสนส่งผลมานะโมหะมากภาวนายากกว่าเพื่อนเลยไปหาหลวงพ่อที่สาราลุงชินนะไปพร้อมคนื่นก็แหละ คนอื่นเขาเรียนไปเยอะแล้วหลวงพ้อหันมาเห็นเด็กคนนี้จะถามไม่สบายหรืเปล่าเป็นบาดหรือเ่าทําไมมันซึมกระตืออย่างนั้นกินยามแก้กบาดมาหรือเปล่าต้องถามอย่างนี้เรื่อยๆม่วงนอนอดนอนมาหรือเปล่าทุกครั้งที่ทักทายย่าเป็นเรื่องแบบนี้นะอยู่ร่วมปีมันไม่เคยสอนกรรมาฐานได้เลยเขาสอนไม่ไหวโมหะมากกว่าจะสู้โมหะทะลุออกมาได้นะลําบากแคบตายเลย นั่งสมาธิเดินจงกรมหามรุ่งหามค่ำต่อสู้ออกมาเห็นไหมตอนสนุกสนานนะแป๊บเดียวนะโหตอนที่จะแก้มันขึ้นมาปรับตัวให้ดีขึ้นมานะไม่ใช่ง่ายนะงั้นไปบอกเขาหนะ้าหลูกหลวงพ่อบอกว่าขิดเล่าก็ภาวนาได้แต่ผลของอกุศลก็มีนะไม่ใช่ไม่มีคนนั้นยกก่อน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 ส่งมาข้างหน้าเดี๋ยวคนที่ถัดไปก็คาถามคล้ายกันครับอาจารย์คือว่าตอนนี้ปฏิบัติพอจะเข้าเดี๋ยวนะแปบ๊บหนึ่งนะใจลอยไปแล้วเมื่อกี้รู้ไหมบังคับตัวเองแล้วรู้สึกไหมมากั น, นุศแล้วเดี๋ยวบังคับนอะย่างบังคับหนีไปคิดแล้วทราบไหมเนี่ยให้รู้อย่างนี้นะรู้เล่นๆรู้สบายๆไป แต่ใจมันยังรวมเข้ามาไม่ถึงฐานนันจริงๆถ้าทําสมถะได้นะทําสมถะจิตจะตั้งมั่นถึงฐานมันเลยแล้วก็ออกมารู้กายออกมารู้ใจอย่างนี้ไปได้ง่ายแต่ถ้าเราไม่ได้ทําสมถะเลยหรือเวลาเร า, เราไปทำเอามิจฉาสมาธิเข้านะันทํายากยิ่งมิจฉาสมาธิพวกเข่งเคลิ้มๆหรือเข่งไว้แข็งๆเนี่ยแก้ยากที่สุดเลยคนไม่เคยฝึกยังฝึกง่ายกว่าภาวนาง่ายกว่าเนี่ยใจแหบไปคิดอีกแล้วทราบไหม เออดูไปอย่างนั้นแหละจิตมันมีปีติขึ้นมารู้ว่ามีปีติจิตมันเป็นยังไงรู้ลงไปเห็นไหมปีติไม่ใช่ตัวเราดูออกไหมยังเป็นสิ่งที่แปลกปลอมเข้ามาท่านนั่งอ้าวเบอร์สามสิบเก้าเจค่ะก็อยากทราบว่าตอนนี้ปฏิบัติไม่ทราบว่าเข้าล็อกหรือยังเจ้าค่ะหรอจะเข้าล็อกอะไรล่ะ <laughs> ล็อกการเจ<ว>นะ้าค่ะไม่ซใช่การ ล็อกตรงกลางค่ะไม่ไปซ้ายฝาดตรงกลางเราไม่เอาไว้อยู่นะไม่ไเอาไว้ล็อก <c oughs> เราต้องอยู่แบบไม่มีอะไรมาล็อกเราเจ <c oughs> ้าค่ะนะเราอยู่ยังมีความสุขอยู่อย่างสบายใจเราแอบไปคิดเราก็คอยรู้เอา <c oughs> ใจเราเข้าไปเพ่งไว้เราก็คอยรู้เอาอย่างขนาดนี้เพ่งแล้วรู้สึกไหม้ <c oughs> ไม่เอาอย่างนี้เจ้าค่ะ <c oughs> ไม่ต้องสนใจการภาวนาที่ถูกอย่าทำสิ่งที่ผิดแล้วมันถูกเอง ถ้าพยายามจะทำให้ถูกนะมันจะไม่ถูกเลยเพราะแค่อยากจะปฏิบัติก็ผิดแล้วอยากจะปฏิบัติก็ผิดแล้วกิเลสแทรกแล้วเพราะฉะนั้นถ้าเมื่อไหร่จิตเป็นอกุศลหรือจิตเป็นกุศลจิตเป็นสุขจิตเป็นทุกข์รู้ไปเรื่อยๆอย่างที่เขาเป็นก็เรียกว่าปฏิบัติแล้วไม่ต้องดีก็ได้แล้วจริตอยากทราบจริตว่าโยมชอบคิดมากดูจิตไป อ, อ่ะมาคนนี้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 ที่ได้ค้นรบตอนอายุยี่สิบต้นๆนะครับเลอวดีแล้วเพราะเพราะว่าแปดสิบต้นๆนั้นลำบากก็คิดว่าทางสายนี้น่าจะเป็นทางสาธิตถูกครับอย่าเพิ่งเชื่อนะครับเพราะที่สุดด้วยตัวเองเพราะว่ามันจะรู้ก็คือมันก็รู้เข้ามันเองครับใช่ครับจะนอนตอนนี้คือก็วันวันคืนก็นอนไม่หลับก็เห็นไม่หมดเลยครับอืบางทีเดินไปเดินมาก็คือเห็นหมดเห็นตัวเองหมดบางทีคิดว่าตัวเองเนี่ยว่าทำไมมัน มันมันจะจะใช้คาว่ามันชั่วนะครับชั่วว่าเห็นเห็นไม่หมดเลยครับครับอย่างที่ครับใช้ได้เลยนะอย่างนี้สิใช้ได้ภาวนาแล้วเห็นแต่กิเลสเยอะเลยใช้ได้นะถ้าคนไหนมาบอกหลวงพ่อภาวนาแล้วไม่มีกิเลสเลยอาการหนักนะแสดงว่าไม่เห็นตัวจริงของเราเราร้ายกว่าที่เราคิดไปเนี่ยใจลอยแล้วรู้สึกไหมรู้สึกครับ แต่ตอนนี้คือจะเห็นนะครับว่าสภ า, าวะต่างๆมันมันจะมาครับถ้าวางบางๆ ง, งบางอย่างเนี่ยอย่างเช่นไอกโกรธมันจะเริ่มเริ่มแล้วฮะเริ่มนิดๆไปขึ้นตรงนี้นิดๆหรือว<ช>่ามันมันมันมันจะแอ บ, บไปคิดหรือว่าอะไรสักอย่างเนี่ยมันจะจะเห็นแบบเหมือนลางๆแต่แต่บางทีเรารู้สึกได้นะใช่ใช่ครับถูกต้องครับความโกรธนะก็มีเหตุถึงจะเกิดครับเหตุของความโกรธคือพยาบาทวิตกใจมันคิดกัอนคิดในทางร้ายอ่ะโทสะก็เกิด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 ต่อไปสภาวะไรไหวตัวขึ้นมาปั๊บนะั้สติเราลืดได้เองสังเกตไหมตรงที่สติไปรู้เองนะใจจะโล่งเลยใจจะโปร่งโล่งเบาขึ้นมาและจะเห็นว่าตัวเองบางอย่างเนี่ยชอบปกป้องตัวเองนะวางคําพูดแม้เราไม่รู้ตัวหรอกแต่มันเป็นแค่คําพูดที่ไม่น่าไม่น่าจะเก็บมคิดเราจะเห็นว่าเออนี่คําพูดนี่น่าจะเหมือนการเป็นการปกป้องตัวเองเนะี่ยเนาะแต่ว่าก็ต้องปกป้องเหมือนกันนะ <laughs> แต่ว่ารู้ทันก็ดีแล้ว ดีซีดีหลวงพ่อนะฟังเยอะๆนะฟังไปคนที่ไม่เคยเจอหลวงพ่อแล้วฟังซีดีลูกเดียวแล้วตื่นที่มานี้เยอดมากเลยนะเยอะดีใช้ได้นะข้างหลังเขาโอกาสถามค่ะคือพอนั่งสมาธิแล้วจะดิ่งอะคะ่ะจะเคยเข้าวัดไหมคนเนี้ยเคยวัดอะไรโอหลายสิง่งไม่ใช่ <c oughs> เห็นไตเติลของเขาเนี่ยคือไตเติลของคนเข้าวัด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 กำลังใจรอยหนีไปคิดเรารู้ว่ามีไปคิดแล้วรู้ว่าเผลอไปคิดแล้วมันจะมีภาวะแห่งความตื่นเกิดขึ้นช่วงเล็กนิดเดียวเลยสั้นๆมันจะตื่นที่มันจะรู้สึกตัวขึ้นมาคนทั่วๆไปเนี่ยมันตื่นเฉพาะร่างกายแต่จิตใจจะไปอยู่ในโลกของความคิดความฝันตลอดเวลาถ้าเมื่อไรเรารู้ทันว่าจิตแอบไปคิดเี่ยในพระไตรปิฎกบอ ก, บอกรู้ว่าวิตกรู้ในวิตกคือรู้ว่าจิตหนีไปคิดจิตจะตื่นขึ้นในฉับพลัน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 ถ้าสงสัยรู้ว่าสงสัยแต่ท่านไม่จะตามหลังครับตามหลังตามลแล้วถูก ต, ต้องรู้ตามหลังไปเรื่อยๆเขาเรียกการตามรู้รู้ตามหลังเรื่อยๆแอบ ป, ปคิดอีกแล้วรู้สึกไหมไหลายแว บ, บไปเนี่ยไปอีกแล้วรู้สึกไหมเราเลยงงไปแล้วทำไมเออเอาเริ่มต้นใหม่เนี่ยเวลาช่วงที่จิตขุ่นโมยเวลาทํางานแล้วขุ่นโมวก็พยายามดูครับแต่ก็ไม่ไม่ได้ดูให้หายขุ่นนะ อถ้าดูให้หายคุณไม่หายหรอกถ้าจิตขุณมัวรู้ว่าคุณมัวเห็นไลยความคุณมัวเป็นสิ่งที่แปลกปลอมเข้ามาจิตคือคนที่ไปรู้ว่าคุณมัวจิตไม่เคยคุณมัวความคุณมัวกับจิตเนี่ยคู่ละอันกันเนี่ตอนเนี้ใจหนีไปคิดทราบไหมพยายามจะดูครับนั่นแหละจงใจนะจงใจเนี่ทําไงจะถูกทําไงจะดีะแต่นะปรุงไว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 ถ้าไปนั่งเฝ้าไว้ทั้งวันจะเคร่งเครียดทําผิดเนี่ยลืมดูตัวเองอีกแล้วรู้สึกไหมเป็นไหมใจไม่สบายเหมือนเมื่อกี้แล้วรู้สึกไหมรู้สึกใจกลับมาสบายแล้วรู้สึกไหมเนี่ยดูอย่างนี้นะเหมือนจะง่ายแต่ทำไง่ายง่ายสุดขีดเลยง่ายจนยากก็เรียกเส้นผมบางภูเขาเ <c oughs> น้นคำในสติปัฏฐานง่ายที่สุดเลยไหม ย, ยืนอยู่ก็รู้เดินอยู่ก็รู้ออกฟังแล้วง่ายชะมัดเลย แต่ไม่เห็นมีฝ่าระยะเท่าไหร่เลยใช่ไหมง่ายๆนี่แหละมันยากถ้าบอกเวลาเดินต้องมีสิบกระบวนท่านะโออย่างงีง่ายนะไปหัดเดินมันไม่ได้เกี่ยวอะไรกับมรรค น, นิพพานจิตตนนี้เป็นไงล่ะไม่โปร่งเท่าตะกี้แล้วดูออกไหมคุณดูแค่นี้ก็ได้ใจโล่งๆแต่ใจไม่โล่งดูไปแค่เนี้โล่งมากโล่งน้อยไม่โล่งเนี่ยอย่าไปจงใจดูเมื่อกี้จงใจดูใช้ไม่ได้นะ เนี่ย <N ee> ตอนนี้โล่งแล้วรู้สึกไหมโล่งปัดไีคิสแต่ไม่โล่งเท่าทีแรกเนี่ยเห็นไหมมั ว, ม, วมัวอีกแล้วพอแอบิชิต ด, ดูออกไหมใจเปลี่ยนไปเรื่อยเรืยเดี๋ยวเบิกบานเดี๋ยวเดี๋ยวซึมซึมเดี๋ยวโล่งเดี๋ยวหนักนนั่งดูไปเรื่อยเยแต่อย่าจ้องนะเดี๋ยวนั่งจ้องนะอ่าค น, นนี้เสื้อสีส้มก็รู้สึกว่า รู้ตามสภาวะได้บ่อยขึ้นนะคะเออดีสภาวะอะไรเกิดบ่อยที่สุดก็รู้สึกลอยๆค่ะอะไรนะรู้สึกหลงไปดูทุกขนี่ถูกต้องถูกเป๊ะเลยเห็นไหมภาวนาเป็นนะพูดออกมาเหมือนตําราเพี้ยบเลยโมหะเกิดบ่อยที่สุดหลงเพราะราคาโทสะจะเกิดได้ต้องอาศัยโมหะเป็นพื้นฐานเนี่ยถ้าใจไม่หลงไปนะราคาโทสะไม่มีไม่เกิดเ น, นี่ยตอนเนี้หลงอีกแล้วทราบไหม ใช้ได้เว่เจ็สิบเอ็ดใช้ได้เมื่อกี้ใครยกมือทางนี้แวบๆบแบบเอาคนโน้นก่อนแหละเมื่อกี้นี้อย่าบางังคับตัวเองนะบังคับเยอะไป อ, อือตอนนี้แล้วเมา่ก่อนเนี่ยจะคิดถึงคนคนหนึนน่งตลอดเวลาครับหกปีมาแล้วมันก็ยังเหลือไม่ลงครับติดอะไรนะคิดถึงคนคนนึงครับเหรอเราห้ามไม่ได้หรอก ทำแล้วทำยังไงถึงจะลึกให้เรารู้ทันใจของเรานั่พอเราคิดถึงเ้าแล้วเราเกิดความสุขเราก็รู้เกิดความทุกข์เราก็รู้เเราก็คิดไปแหละคิดไปแล้วใจของเราเป็นยังไงเราคอยรู้ไปทีคิดไปแล้วใจเราเศร้าขึ้นมารู้ว่าเศร้าะคิดไปแล้วมีความสุขขึ้นมารู้ว่ามีความสุขคิดไปนั่นแหละเอาการคิดถึงคนเนี้ยมาทํากรรมฐานมาดูใจเขาไม่ต้องไม่ไม่ต้องอ่ะมันอยากคิดอย่าให้มันคิดไป พอมันคิดนะแล้วเรามีความสุขขึ้นมาเราก็รู้ทันรู้ทันใจของเราว่ามีความสุขแล้วคิดไปแล้วเราเกิดเศร้าใจนะรู้ว่าเศร้าใจคิดไปได้แล้วก็ดูใจของเราไปะถึงวันหนึ่งจิตใจเราจะเป็นอิสระเราจะกลับมาอยู่ในโลกของปัจจุบันได้แต่ยังไม่ไปติดอยู่ในอนดีตฝึกนะไม่ยากหรอกงั้นมันอยากคิดถึงใครก็ให้มันคิดไปไม่ห้ามหลายคนคิดว่าจะห้ามได้นะ คิดเป็นของห้ามไม่ได้ก็คนมันจะคิดถึงอะ่ะใครจะมาห้ามกันได้นะยิ่งห้ามยิ่งคิดจึงเพราะงั้นมันอยากคิดถึงใครก็ให้มันคิดไปแต่คิดแล้วใจของเรามีความสุขเราก็รู้ใจเรามีความทุกข์เราก็รูนะ้คิดแล้วเกิดกิเลสอะไรขึ้นมาเราก็คอยรู้เอาเป็นการฝึกดูจิต ด, ดูใจของเราถึงวันหนึ่งเราก็จะพ้นจากภาวะที่ทรมานนี้ไปเบอร์สามสิบ เดือนน้าเนเข้าคิวไว้ก่อนครับอรสามสิบครับหลวงพ่อครับ เ, เคยตามดูอารมณ์มครับแต่ว่าตัวเองเนี่ยพอตามดูแล้วจะกลายเป็นเพ่งก็เลยหันมาเปลี่ยนวิธีเป็นรูว้ว่าเผลอครับอพอใช้วิธีรูว้ว่าเผลอก็รู้สึกว่าดีขึ้นการเพ่งก็น้อยลงดีได้ไดแล้วก็แต่มันทำให้เกิดความรู้สึกที่ว่า เห็นแต่จิตเคลื่อนไหวทั้งวันนะครับเลยไม่ทราบว่าถูกต้องหรือเปล่าถูกแล้วดีแล้วแค่นั้นก็พอละใช้ได้ทั้งหลังยกมือไวมากเลยตัวนี้ผมขออนุญาตถามหลวงพ่อครับตอนนี้ถิ่นเต้นคือผมเพิ่งเริ่มศึกษาครับก็ได้พี่แจ็คแนะนำทำงานอยู่ที่เียวพี่แจ็คแล้วก็เพิ่งเริ่มสนใจก็อ่านหนังสือมาบ้างดูมาบ้างคือตอนนี้ผมสงสัยว่า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 แต่พอเราไปจำสภาวะว่ารู้แล้วต้องโล่งขึ้นมาได้เนี่ยเราก็เลยอยากจะโล่งพออยากจะโล่งไปดูนะเราดูเมื่อไหร่จะโล่งสทีเลยไม่โล่งเลยนั้นบางทีก็เลยตื่นบางทีก็เลยไม่ตื่นถ้าเมื่อไหร่กิเลสแทรกความจงใจแทรกนะเขาไม่ตื่นเมื่อไหร่ไม่ได้เจตนานะก็ตื่นขึ้นมาที่ทำอยู่ใช้ได้แจกลูกสิแ จ, ก, แจกเก่งอาจารย์เก่งนะอ้าวแจกส่งกันบ้าน นะคุณผู้หญิงนะ่ต้องต่อจากคุณนี่อีกทีกรับน้ำมการหลวงพ่อครับวันนี้ก็พาเพื่อนๆตำรวจนะครับแล้วก็มีน ะ, ะตำรวจมีทดด่านรองผู้การนั่งอยู่ด้านโน้นด้วยครับก็มาด้วยนะครับไหนเนาะครับก็ในส่วนตัวนะครับหลวงพ่อครับก็คือจิตอ่เวลาที่มันออกไปเจอกับสภาวะนะครับคือจังหวะที่ออกไปรับสภาวะเนี่ย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 ถ้าดีถาวรสุขถาวรนะมันก็ไม่ใช่ของจริงครับนะเราจะดูไปเรื่อยๆจนวันนึ่งละปัญญามันเกิดม่าจริงๆเราบังคับมันไม่ได้หรอกของคุณมันยังติดการบังคับไว้นิดนึงังบบััครมันยังข่มตัวเองอยู่นิดนึงอาจจะเพราะว่าตอนมาคุยกับหลวงพ่อก็ได้ะครับจริงๆแล้วถ้าเราฝึกอนาปนสตินะแล้วเราก็ดูจิตไปด้วยก็ได้เราก็หายใจนะหายใจออกก่อนนะ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 ทำอย่างนี้อยู่บ่อยๆแบบโดยไม่ได้ตั้งใจนะคะปล่อยไปตามธรรมชาตินะเจ้าคะแต่หนูไม่ติดเพลงเพราะหนูไม่ชอบสมาธิหาหนูก็เลยแบบไม่นั่งเลยค่ะไม่เคยนั่งปฏิบัติได้แต่ตามดูอย่างนี้นยไม่ทราบว่าทาถูกหรือยัง่ะดีแล้วดีแล้ ว, ล ว, ด, ลวดูเรื่อยๆนะแล้วก็ฟังซีดีแล้วกวาดบ้านไปเรื่อยๆหาหนูฟังทั้วันแล้วก็อยากจะกลับถามหลวงพ่อว่ากรณีที่หนูตามดูเนี่ย พอมันรู้แวบแล้วมันตัดไปแล้วรู้สึกเบาแล้วบางทีรู้สึกเป็นสุขอ่อนอะไรนะคอะแล้วก็บางครั้งมันก็แวบไปเห็นกายอะไรอย่างเงี้ยค่ะไม่ทราบว่าถูกไหมถูกต้องแล้ว่ะเดี๋ยวมันก็รู้กายเดี๋ยวมันก็รู้จิตข้ามมันไม่ได้เลือกไม่ได้เจ้าค่ะวันนี้ก็เลยอยากมาถามดีทำถูกต้องอ่ะเจ้าค่ะโอ้วันนี้พอนายเก่งเยอะนะนายเก่งเยอะอ้าวจ๋าตอนสุดท้ายนู่นข้างหลัง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 บางครั้งก็ดูก็เห็นมันอยู่อย่างนั้นมันก็ไม่เปลี่ยนไปแต่ว่าบางครั้งก็คือมันก็เปลี่ยนรูปไปเรื่อยๆใช่มันเปลี่ยนไปเรื่อยแต่อยา่าถลำลงไปดูนะดูอยู่ห่างๆดูอยู่ห่างๆเหมือนเราดูอยู่บนตึตกเงี้ยแล้วเห็นอะไรอยู่ข้างล่างอยา่าถลำลงไปดูไอ้ที่แผ่นนั้นก็คือให้มีสติอยู่กับตัวเองให้มีสตินะแต่ไม่บังคับตัวเองนะที่จ้าจ้าขณะเนี้ยบังคับตัวเองเยอะไปแล้วบางครั้งก็คือเห็น เห็นใจมันเปลี่ยนแบบเหมือนยุบยิบยิบแบบเร็วๆอะค่ะยิ่งรู้ก็ยิ่งเปลี่ยนเร็วก็ตามไม่ทันถ้าตามไม่ทันให้รู้ภาพรวมลงไปเลยว่าจิตกําลังฟุ้งซ่านอยู่มันเป็นยิบยิบยิบแต่เราไม่รู้ว่าคืออะไรไม่เป็นไรไม่ต้องรู้ว่าคืออะไรภาวนาแล้วสุดท้ายมันจะเห็นแต่ยิบยับยยับอยู่แค่น้นเราจะลึกลงไปลึกลงไปเราจะพบว่าขันห้าเป็นแค่คลื่นคลื่นของสิ่งบางสิ่งนะขันห้าเลยนะทั้งกายทั้งใจ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 เวลารู้อยากกระโจนลงไปดูอย่างสบายๆดูไปสบายๆนะอ้าหมดเวลาแล้วเลยเวลาแล้วเอาเชิญโยกกลับบ้านไปขออนุญาตได้ไหมคะหลวงพ่อไหนๆอ้าวว่าไปแต่สุดท้ายเอาใครอยากกลับเชิญกลับไปเลยเอ้าไปอ่าคนนี้ว่ามาค่ะพอดีเมื่อก่อนหนูเคยปฏิบัติสมถะมาค่ะที่บ้านไรวา ค่ะหลักสูตร อ, อ8วัน7คืนนะคะออแล้วกอ็อคือนั่งนั่งไปนี่เห็นแขนหายไปหมดเลยค่ะคือใสไปหมดแต่เท้า ว, วางซ้อนกันเห็นชัดเจนแล้วหนูก็มักจะเ อ, อฝันเห็นเรื่องแปลกๆแล้วสิ่งที่ฝันก็มักจะเป็นความจรงิง อ, อย่างเมื่อไม่กี่วันหนูฝันเห็นพยาคุดค่ะซึ่งหนูก็แปลกใจมาก แล้วหนูก็เดินทางไปทำบุญที่วัดทรงเมตตาแล้วหนูก็ได้ไปเจอรูปตั้นมียาคุดเหมือนที่หนูเห็นในฝันเต๊ะเลยอะค่ะคือตอนที่เคยถามอาจารย์ที่สอนท่านบอกว่าสิ่งเหล่านี้คือกิเลสคือทํทำให้เราติดยึดค่ะหลังจากนั้นหนูกลับมาบ้านหนูก็ตักบาตรตอนเช้าแล้วก็ได้พบหลวงพ่อองค์หนึง่งท่านมอบแผ่น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 ทำไม่เหมือนกันอย่าไปจงใจดูตัวรู้นะ oh. ถ้าจงใจดูตัวรู้จะโล่งไปหมดเลยเดี๋ยวไปติดเดี๋ยวไปติดตัวนี้แค่รู้สึกไปใจเป็นสุขก็รู้ทุกก็รู้ดีก็รู้ชั่วก็รู้รู้แค่นี้ก่อนนะค่ะ okay. รู้แล้วทิ <c oughs> ้งใช่ไหมคะอ่ามันจะกลายเป็นเป็นสร้างพบที่ว่างๆขึ้นมาแล้วเข้าไปอยู่ออ oh. อย่าไปเพ่งตัวผู้รู้นะค่ะ <Okay. S 2> ดีที่ฝึกอยู่ใช่ได้ไหม ไมเดนี้พระบินทบาทท่านพกซีดีหลวงพ้อไปแจกเล<ช>ย <ention> อาเชิญยกกับบ้านไป